ผู้ที่มีสติโดยเฉพาะผู้ธานุสติเนี่ยนะที่จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะันะแต่ละบทแต่ละบทก็ลองมาละลึกถึงว่าพระคุณเหล่านั้นที่พรงรู้เนี่ยพรงรู้อย่างไรนะเราขอรู้ตามสักส่วนก็ยังดีน ะ, ะดวงอาทิตย์เนี่ยส่องสว่างทั่วโลกเลยใช่ไหมที่ที่ดวงอาทิตย์ส่องถึงของเราก็ขอให้ได้ใช้ได้รับประโยชน์จากแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เท่าที่พอได้ก็พอ นันถ้าเราได้เห็นคุณของพระองค์เหมือนกับได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ไม่ใช่น้อยที่จะเห็นคุณของอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มีสติเนี่ยนะก็สามารถที่จะละเลิกในพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แล้วก็คุณของการให้ทานนะว่างๆละเลิกถึงทานที่เราเคยให้บุญที่เราเคยไปทําำนะเจดีย์ไหนที่เรายังไม่ได้ว่ายมีไหม เราว่าเจดีที่ไหนมาบ้างอนะั้นลองมาละลึกดูนะก็ น, น่าระลึกนะโอ้เจดีในกรุงเทพกีแห่งแล้วก็ไล่ไปแล้วก็เจดีที่นั่นเคยไหว้มาแล้วพระพุทธรูปที่นี่เคยไปไหว้มานะไหว้พระมาเนี่ยนะเช่นทานเนี่ยเคยไปใส่บาตรเคยปล่อยนกปล่อยป ล, ยปลาปล่อยอะไรที่ไหนก็ละเลิกถึงกุศลทั้งหลายที่เคยทําแต่ร้ายร้าแห่งที่เคยไปไม่ไว่าจะเป็นที่ไหนก็าตามที่ที่เป็นไปกับบุญและกุศลก็หมั่นละลึกถึง นี่อีกที่หนึ่งที่ที่เราควรมนุษย์การก็คือถึงศีลเนี่ยนะถ้าเป็นอะไรนะคนที่รักษาอุโบสถมานานก็ระ ล, ลึกนะวันแปดค่ำสิบห้าค่าตั้งกับปีโน้นพอโศโน้นไม่เคยขาดแม้แต่อุโบสถเดียวอุโบสถโน้นก็ดีอุโบสถนั้นก็ไม่ขาดอุโบสถนี้ก็ไม่พร้อยอุโบสถนั้นก็ไม่ทะลุเป็นตน้นก็ระลึกไปศีลห้าก็ไล่มาศีลที่เป็นปกติเนี่ยนะ ตั้งแา่หลายปีมาแล้วแต่ละวันแต่ละวันเรารักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ผุดพ่องกันระลึกถึงศีลที่ผ่านมาอันผู้ที่มีสติเนี่ยนะที่ตั้งมั่นได้อย่างนี้ก็ตั้งมั่นในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติตาคานุสติแล้วก็ระลึกถึงเทวดาว่างมานึกไหมนางวิสาขามีศรัทธาเช่นใดข้าพเจ้ า, าก็มีศรัทธาเช่นนั้นอันนะพอจะนึกแบบนี้ได้ว่างไหมยังท่านนางวิสาขาก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือ พระพเจ้าก็เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนกะ่อนนึกถึงเทวดาไร่อาประจ่าตุมไปด้วยนะเขามีศรัทธาศีลสุตะจาระฆปัญญาแม้เราก็มีศรัทธาศีลสุตะจาระฆปัญญาแลระลึกไปเรียกว่าเจริญเทวดานุสติถ้าเป็นมรณานุสติอันนี้น่าจะระลึกง่ายนะเชื่อไหมเราไปดูซากของคนที่ตายแล้วทนะั้งนั้นไปดูสิ่งที่คนคนเคยเป็นน่ะนะเขาสร้างเอาไว้ ผู้ที่มีชีวิตเขาเคยมีชีวิตอยู่เขาสร้างเอาไว้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมทันไปเนี่ยเจ้าของผู้สร้างก็สิ้นทราบไปนานแล้ววัตถุที่สร้างก็กําลังจะสิ้นไปตามแม้เราก็จะเป็นเช่นนั้นเลยเนี่ยมันเห็นเห็นพวกปรางเห็นเจดียอะไรเมื่อวานนี่สงสัยจะได้อะไรขึ้นมาเยอะเลยนะขนาดใหญ่ๆตัวโตขนาดนั้นยังถล่มทลายเสียหายแตกทำลายไปแล้วภายในเหล่านี้ล่ะภายในเหล่านี้เนี่ยเจดียเหล่านั้นเนี่ย ร้ อ, อตั้งสามสี่ร้อยปียังมีให้เห็นนะของเราอีกสามสี่สิปีข้างหน้าจะมีให้เห็นหรือเ่าเนาะนั่นนี่เอมานึกถึงว่าโอ้สังขารเป็นเช่นนี้แล้วศาสตราหลายตายแล้วด้วยนะสมัยอันนะีก็ไล่นะประวัติศาสตร์ไทยนะครับไปแบบอยุธยาส่วนใหญ่ก็นึกประวัติศาสตร์ในชะ่ไหมก่อนที่จะมาเป็นสุขโขทัยอยู่ที่ไหนมาก่อนเออก่อนที่จะมาเป็นอยุธยามาจากไหนก่อนสุขโขทัยหรือลบบุรีสุสุสขโขทัยใช่ไหม สุโขทัยหรืลบบุรีแต่สรุปว่าทั้งสุขโขทัยลบบุรีก็ไม่เหลือแล้วนะของยุคนั้นนะที่นี้มาของอยุธยาก็ไม่เหลือทิแล้วกรุงรัตนโกสินทร์เนาะจะเป็นเช่นไรโบสวิหารกรุงรัตนโกสินทร์สักสามสี่ร้อยปีต่อไปข้างหน้าจะเป็นเช่นไรนะนะแล้วศาสนาในยุคต่อต่อไปจะเป็นเช่นไรสมัยก่อนแต่ละวัดเนี่ยเป็นวัดที่เคยทรงพระไตรปิฎกเคยเรียนพระไตรปิฎกอย่างกว้างขวางแล้ววัดวัดของเราไอ้ที่นี่ บ้านคุณวลีที่เดียนพระตัยวิโดกเนี่ยจาอีกห้าสิบปีก็จะมีใครเรียนบ้างเนาะ น, นะก็ดูไปจะมีอะไรเหลือบ้างเนอะสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แล้วนะก็เจริญมรณ า, านุสติแต่นั้นก็เนึกถึงความไม่เที่ยงเแั้วคนที่เจริญมรณ า, านุสติได้มากก็จะเจริญอนิจจสัญญาได้มากเมื่อพิจรารณาอนิจจสัญญาได้ก็จะรู้เหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าทั้งหลายเกิดโดยประการใด เสื่อมโดยประการใดในที่สุดสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเช่นนั้นเนี่ยนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่ากับไปต่อไปนะก็เจริญสติปัฏฐานมันก็จิตจะตั้งมั่นในสติปัฏฐานตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นเนะเห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นก็จะดํารงมั่นอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่ ท่านก็ธรรมะดํารงมั่นตั้งมั่นของสตินี้ไม่ใช่นะะไม่ใช่ตั้งแค่แผลไว้เฉยๆเหมือนก็ตั้งเอาของไปวางไว้สักอย่างหนึ่งนะเซ่อๆอยู่เท่านั้นไม่ใช่เพราะสตินั้นสติในที่นี้ต้องเป็นสติที่มีปัญญาประกอบเมื่อสติที่ที่ละลึกไปอย่างเนี้ยที่เป็นองค์ที่จะทําให้ตรัสรู้ได้อย่างนี้นี่นะเมื่อสติตึกตรอสติแล้วตั้งมั่นเพียงใดปัญญาก็เลือกเฟ้นเพียงนั้น อันความเลือกเฟ้นแห่งวิจัยแห่งธรรมวิจยะสัมพ่อชงเนี่ยนะป่าวิจยะเนี่ยปวิจยะหมายว่าวิจัยทั่ววิจัยจนเห็นว่าทุกขอย่างไรเข้าไปวิจัยจนเห็นทุกเนี่ยนะสรุปสูตรย่อยก็คือนี้วิจัยจนเห็นทุกขทุกวิจัยจนเห็นวิปริณามะทุกวิจัยจนเห็นสังขารทุกข์วิจัยจนเห็นว่าทุกเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอย่างไรทุกขทุกเป็นที่ตั้งแห่งตันหาอย่างไร วิปริณามะทุกเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอย่างไรสังขารทุก์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอย่างไรตัณหาเหล่านี้นำเกิดในภพใหม่อย่างไรวัฏฏะเหล่านี้ทุกเหล่านี้และตัณหาจักสงบได้อย่างไรปฏิบัติอย่างไรจนถึงแกสงบได้วิจัยเลือกเฟ้นอย่างนี้ไ ต, ตรตรองจนกว่าจะเห็นอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าธรรมวิจัยวัตสติเป็นสมถะธรรมวิจัยเป็นวิปัสสนาทำด้วยความ พติกรรมนี้ทํายังไงเจริญสติกับวิปัสสนานี้เจริญก็เจริญด้วยวิริยะประคองไว้นะประคองสติประคองธรรมาวิทยะให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องถ้าแปลกเพียนภาพเพียนด้วยความหมันประคองไม่เกียดค้านเจริญอย่างต่อเนื่องถามว่าจะเกิดปีติได้ไหมก็เกิดปีติเนี่ยนะปีติก็จะแผไปปีติก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีปีติอย่างนี้ก็จิตก็สงบ ตั้งมันไม่กว น, วนกังวนกังวายปะสะัสาัทีความสงบแห่งกายและจิตกายและจิตก็สงบไม่กระวนกังวายใจก็ไม่ฟุง้งซ่านอันก็เป็นสมาธิสามโพชงก็ทั้งหมดนั้นก็พิจารณาหาทางปฏิสังขาเป็นการพิจารณาแพ่งเห็นความสม่ำเสม อ, อความไม่ตกไปในฝักฝ่ายแห่งอุทธะจะและความเกียดครานัน้นอุเบขาสามโพชงคือ ประคองให้จิตเนี่ยเป็นไปอย่างสม่ําเสมอโดยไม่ตกไปในอุทะจะไม่ตกไปในความเกียร์ครานก็ครั้งที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่บอกว่าสมัยใดที่ง่วงเหาหานอนถีน้มิถะเสื่อมซึมท้อถอยก็เป็นสมัยที่จะเจริญธรรมวิจยะสามโพชงวิริยะสามโพชงและตีติสามโพช ง, มพช ง, มพชงเมื่อใดเป็นสมัยที่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะ ฟุ้งซ่านก็เป็นสมัยที่ต้องเจริญปสัสสติสามโพชงสมาธิสามโพชงและอุเบกขาสามโพชงมันก็สติเนี่ยแหละเป็นตัวตั้งมั่นวินิจฉัยตัวบอกบอกทั้งหมดในนั้นสติเนี่ยเป็นตัวบอกว่าสมัยไหนควรจะเจริญอะไรถาม่าทั้งง่วงๆ่งวงสมัยที่ควรจะเจริญอะไรจะเจริญปีติจเจริญปีตินะใช่ไตอนนี้นก็ปีติพอถ่าย่วงแลนะ้วนันก็ จเจริญกรรมฐานเนี่ยเจริญต้องจเจริญตามสภาพจิตเนี่ยนะอย่างสภาพจิตตอนที่เราอ๋อเหี่ยวท้อแท้เบือ่อนายโอ้ทำไมไม่เห็นสนุกอะไรเลยเนี่ยนะแก้ยังไงนั่นะนะก็ต้องคนที่ศึกษาพระสูตรเยอะๆเนะี่ยพระสูตรเนี่ยจะบอกเองสมัยนี้เราควรระลึกถึงพระสูตรใดเ<ช><ๆ>นี่ยนะที่จะช่วยเราได้เนี่ยนะระลึกถึงพระธรรมเพราะพระธรรมเนี่ยประดุดยาเนี่ยนะประดุดโอสถ ก็รักษาตามสภาพจิตนั้นผู้ที่เป็นปหูสูตรฟังมามากเรียนมามากทรงจำไม่มากก็สามารถที่จะสาม า, า, มารถพิจารณาได้โดยวิธีที่มากเนยนะั น, นพ่ชงเหล่านี้ทั้งเจ็ดประการเนี่ยนะลักษณะอัฏถะของพ่ชงแต่ละอย่างก็ควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจทีนี้องค์มครแปดแหลนนะองค์มครสมธสรมทิฏฐินี้ธรรมชาติที่เห็น ก็สัมมาทิฏฐิก็เห็นก็เห็นอะไรก็ตามสูตรก็เห็นอริยสัจใช่ไหมสัมมาสังกัปปะก็อภิโรปนาเนี่ยนะตรึกก็คือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ท่องเที่ยวไปในเนคขมวิตกท่องเที่ยวไปด้วยอัพยาปาทาวิตกท่องเที่ยวไปด้วยอวิหิงสาวิตกอนั่นแหละเป็นสัมมาสังกัปปะส่วนสัมมาวาจาก็กาหนดเพื่อที่จะเว้นจากมิจฉาวาจา สัมมากัมมันตะเนี่ยนะสมุทฐานสมุทฐา น, นะเนี่ยนะก็คือเป็นสมุทฐานด้วยการสังวรเพราะว่าถ้าไม่สังวรแปลว่าปิดความชั่วทางกายทางวาจาแล ะ, าและทางกายเนี่ยนะโดยเฉพาะทางกายเนี่ยสังวรยังไงมือสังวรยังไงศีรษะสังวรยังไงตาสังวรยังไงเท้าสังวรยังไงเป็นต้นเนี่ยนะอันสัมมาสังกปะเรียกแบบว่าสมุทฐานนะเนี่ยนะหมายความว่าสมุทฐานนั่นเองตรงนี้แปลว่าประชุมไม่ค่อยดีแต่ว่าสมุทฐานน่ยนะท้าศักด์เพราะว่า เป็นเหตุที่จะทําให้สํงวรส่วนสัมมาชีวะนั้นคือความผ่องแผ้วบริสุทธิ์เนี่ยนะระลึกถึงแล้วก็ผ่องแผ้วระลึกแล้วก็บริสุทธิ์ตนกาหนิดตนไม่ได้ผู้อื่นใคร่ควนแล้วก็กาหนิไม่ได้สัมมาวายามะก็ประคองประคองก็เหมือนกับวิริยะที่กล่าวไปนะประคองไม่ให้จิตตกไปในความท้อแท้ความเบื่อหน่ายความเกียดคร้าน สัมมาสติก็ตั้งมั่นเนี่ยนะตั้งมั่นในธรรมฝ่ายดําฝ่ายขาวเป็นต้นดังกล่าวไปสัมมาส ม, มาธิก็คือไม่ฟุ้งซ่านไม่สัด ส, สายเนี่ยนะสงบในในอารมณ์กรรมฐานเหล่านั้นอันองค์มัดแปดเนี่ยนะถือว่าเป็นทางที่จะทําให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ทั้งหลายเป็นทางที่จะทําให้ถึงพระนิพพานอันผู้ที่ปรารถนาบรรลุพระนิพพานต้องกําหนดทางแปดสายเหล่านี้เอาไว้ให้ดี ทางแปดสายแต่ประชมนับหนึ่งนมาดูอินสอ์อะไรนะธรรมะแบบพูดแบบรวมแบบรวมคือรวมทั้งสติ อ, อินทรีย์พละโพชงองค์มรสติประฐานสัมมาประธานอยู่ที่บาทศจจะตะโยคะแล้วก็ผลต่อไปอินทรีย์นี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นใหญ่คำว่าเป็นใหญ่ใหญ่ก็คือใหญ่ในหน้าที่ของตนน ะ, นะสติก็เป็นใหญ่ในการตั้งมั่นหรือระลึกรู้ วิริยะก็เป็นใหญ่ในการประคองความเพียรศรัท ธ, ธาก็เป็นใหญ่ในความเชื่อสมาธิก็เป็นใหญ่ในความตั้งมั่นอ่เป็นใหญ่ในความไม่ฟุ้งซ่านนะปัญญาก็เป็นใหญ่ในการเห็นนันอินทรีก็เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนส่วนพละไม่หวั่นไหวหมายถึงว่าบาปอากุศลและธรรมทั้งหลายทำให้ศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาวั่นไหวไม่ได้ ส่วนพ่อชงเนี่ยนะพ่อชงก็นําออกจากทุก์ใช่ไหมนำออกจากโลกิยะให้ถึงโลกุตระท่านเป็นปฏิปักต่อต่อบาปอกุศลที่จะนําให้ถึงความพ้นทุก์เนี่ยนะส่วนมรรคมรรคก็เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานมรรคนี้เป็นตัวกําจัดกิเลสนะสัมมาทิฏฐิก็กําจัดมิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกัปปาก็กําจัด มิจฉาสังกปะเป็นต้นนั่นแหละอันองค์มรตัวนี้แหละเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานแล้วก็เป็นเหตุแห่งการละกิเลสมีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นส่วนสติปทานเนี่ยนะก็คือตั้งมั่นในอารมณ์เล่นไปในอารมณ์แล้วก็ตั้งมั่นตั้งในกายว่าสุภะตั้งในเวทนาว่าเป็นทุกข์ตั้งในจิตว่าเป็นอนิจจังตั้งในธรรมว่าเป็นอนัตตาสมมติปทานก็ที่เริ่มตั้งเนี่ยนะเริ่มตั้ง ส่วนอิทธิบาทก็คือความสําเร็จเนี่ยนะอิทธิก็แปลว่าความสำเร็จเนี่ยนะบาทก็ตถาทัเนี่ยนะคือบาทพื้นฐานพื้นฐานที่จะทําให้สําเร็จส่วนสัจจะก็เที่ยงแท้เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยนะตถาอย่างนั้นแน่นอนเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะทุกกะทุ ก, กจริงๆแแหละไม่เปลี่ยนส่วนอริยมรรคเนี่ยปโยคะใช่ไหมที่ระงับแห่งปโยคะเพราะฉะนั้น ตัวระ ง, งับเนี่ยเป็นชื่อของผลใช่ไหมประโยคะนี่เป็นชื่อของมักประโยคานังปฏิปัตสัตโธเนี่นะไอ้มักเนี่ยเป็นลักษณะประโยคะส่วนผลเนี่ยระ ง, งับปฏิปฏิปัตสัธีนี่คือความระ ง, งับเพราะฉะนั้นอริยมักเนี่ยเป็นเรื่องของประโยคะเลยนะเป็นเรื่องของการประกอบส่วนผลนี่เป็นการทําให้แจ้งนะอริยผลทั้งหลายก็ต้องทําให้แจ้ง